ก็มีเด็กมาหลายคนนะบง ค, คนก็ไม่เด็กแล้เนาะพูดว่าเด็กกันแน่ตึงในรุนนะ่นละอเด็กๆเนาะแต่อยากเป็นผู้ใหญนะ่นแต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็อยากเป็นเด็กใช่ไหอ <c oughs> จะเรียกว่าอคนแก่ก็ไม่ชอบนะี่ะแต่ถ้าเด็กมเรียกว่าเด็กๆเรียกว่าหนูก็คือไม่ชอบนะผมโตแล้วอย่างที่ เมืาา่อจังาต้นทั้นว่านะมีบวชภาพดูร้อนปีที่แล้วแลปีนี้นะจบเป็นที่สิบสองตมีแม่คนหนึ่งเขาก็อ่เขียนเล่าให้ฟังว่าลูกเขาโ อ, อ้เปลี่ยนไปเยอะเลยเขียนบอกว่ากลับไปรับจากวัดกลับไปที่บ้านเนะี่ยคุยแต่เรื่องนะในท่ายก็ดูร้อนะ เป็นเงี้ยเยอะแยะมากมายด้า น, นี้ปกตินเขาจะเป็นคนหนุ่มไทยทำคําตอบคำเป็นเด็กที่พูดน้อยก็อยู่ที่ค่ายก็ไม่ค่อยเห็นพูดนะแต่ก็กับไปที่บ้านกับพ่อกับแม่เนี่ยพูดพูดเรื่องประสบการณ์ที่ได้จากค่ายแม่ก็ถามว่าอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่วัดอันไหนสุขกว่ากันมีความสุขกวากัน เดยกตอบว่าอยู่ที่วัดแม่งงเลยนะงงก็ได้ถามว่ามันสุขแบบไหนเหรอะ อ, อ, อยู่ที่วัดมันมีความสุขกายสุขใจดีสงบกายสงดใจดีแม่ก็แบบเนิ่นปีนอีอดูก็เลยบอกว่าเออผมเข้าใจแล้วทำไมแม่ติย่าให้ผมบวดก็อ เ, อเข้าใจว่าทำไม สมัยการบวชหรือว่าการปฏิบัติธรรมมันมันดีจริงๆกับเขานะอันนี้เด็กม .1 น, นะประมาณม .1 เขาพอเร า, าให้ความวันสั่แม่เขาเขียนมาบอกใหม่บอกว่าตั้งแต่กลับมาจากวัดเนี่ยลูกพาพ่อพาแม่สวดมนต์ทุกวันเลยบวชทำวัดธรรชาบ้านเย็มนะในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเด็กเขาได้สวดทุกวั น, นตื่นตีสี ธรรมะเชา้าธรรมะเย็นก็ได้สวดทุกวันเขาก็พาพ่อพาแม่สวดพ่อแม่อาจจะสวดไม่ได้เขาลูกนละูกพาอ่านธรรมยามเลยมั้งพนะาสวดได้ก็สวดทุกวันเนะี่ยช่วงนี้ก็ใช้ง่ายเลยเีนะ่ยแม่บอกกลัวหมดกลุ่เป็นชา่างจังเลยก็ <c oughs> มีใช้ง่ายนะเนี่ยใช้ใจง่ายนะน่ารักดีกลันะวมหมดอายุ แต่จริงก็เด็กเขาก็ได้สัมผัสนเนะะ า, มมานะสัมผัสกับธรรมะที่จริงพ่อแม่ที่รับลูกจิตก็พาลูกมาปฏิบัติธรรมหรือมาบวยนั่ก็ดีนะเหมือนสมัยพุทธกาลนะนะอานาวินาศเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีที่อุปธรรมพระพุทธเ จ, จา้าเป็นมหาอุบาศกแต่ลูกชาย ขณะวิญญาณเต็มทีก็ยังใใคลใายชอบความศาสะนาชอบเที่ยวชอบเล่นนะขณะวิญญาณเต็มทีก็คิดว่าจะทำไงนอให้ลูกได้สนใจทํามา ก, ก็เลยบอกจ้างนะลูกนะจ้างให้ไปเคตาวันให้ไปวัดเคตาวันที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็เลยจ้างลูกไปวัดนะลูกก็นะก็ไปนะ พ, พ่อบอกว่าถ้าไปวัดจะให้เงินเท่านั้นเท่นี้นะ่ะก็ไปแต่ก็ไปก็ก็ไปวัดเฉยๆนะไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าไม่เข้าไปฟังธรรมไม่เขไปอะไก็คือแค่เข้าไปประตูวัดกคิดว่าเขาทาตามเรื่องไทยละกลับไปตอนเย็นก็บอกพ่อว่าไปวัดมาแล้วนะเงิน ม, มาเงิน ม, มาม ก, ก็ได้เงินสนใจแต่พ่ อ, อก็รู้ว่าลูก คงแค่ไปวัดเฉยไม่ได้ไปฟังธรรมวันนี้รังดงก็เลยอัดรูปนะแต่พอยังให้เงินมากขึ้นนะแต่วันนี้เนาะให้ไปฟังด้วยนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศว่าอย่างไรเนาะให้ไปจำหน่อยนะดูก็เออไม่เห็ยากเลยก็ไปวัดก็ไปมาแล้วแค่ไปฟังเฉยๆพระพุทธเจ้าท่านจะพูดอะไร ก็เลยไปลูกชายนานปิณากะาเศรษฐีก็ไปวัดอกีกแต่ตอนนี้ก็ต้องไปติฟั ง, งพระพุทธเจ้าท่านเทศพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าลูกนานบิณากะาเศรษฐีเนี่นยมาวัดไม่ได้มีศรัทธาแต่มาเพราะค้าจ้างแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีปัญญามากเนาะท่าน ก, ก็รู้ว่าจะต้องสอนอยางไรกับคนแบบนี้ก็ใจไม่ได้จริงๆว่าท่านเทศเรื่องอะไร อย่างไรผู้เป็เจ้านะก็เทพไปเทพมาก็หนีไม่ค้นเรื่องแผ่นเยาะเยาะของผู้เจ้านะท่านบอกว่าท่านสอนในเรื่องทุกข์กับความดับทุกขนะ์อันนั้นท่าก็ต้องคงจะสอนให้เห็นถึงถึงโทษของกรรมมั่งนะโทษของสอบมสุขนกสนานความเพิดเพลินในอารุณ์ตา่างๆนะมันเป็นทุกอย่างไรวิธีการที่จะออกจากทุกข์อย่างไร ลูกชายนะพินกาฐเศษเรษฐีก็ได้ฟังธรรมแต่พอกลับไปที่บ้านอ่นนี้พออ่านาวิกนิษฐาเศรษฐีถามรู้ว่าได้ไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าไหมน่ะท่านเ็ตท่านเทศก่อนอย่างไรว่าลูกชายก็พูดได้ฟังนะออสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนแต่พอนามวิกนิษฐาเศษเรษฐีจะเอาเงินให้ลูกชายบอกผมไม่ต้อง ก, ก, การแล้วนะ ผมรู้แล้วว่าอะไรมีค่านะธรรมะมีค่างานนี้นะอืมไม่ต้องเอาหนแล้วก็เป็นอะไรที่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะ <ว î. S 1> มาว่าเชื่อ ว, ว่าลูกแต่พ่อแม่ทส ม, มัมนี้บางทีอย่างที่วัด น, นะอย่างที่บอกมีการไปบวชนะแต่ก็บวชแบบมีตินบนเหมือนกันอืม่าถ้าอยู่ครนะจะได้นั่นได้ที่อย่าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะ เด็กหลายคนก็อยู่แบบนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าถ้ากลับไปไม่ออกสิมบดได้ไหมถ้าใครมีกัญญาใครมีธรรมะก็ตนคงไม่เอาแล้วนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าบางทีไม่ใช่เด็กนะบางทีเขาก็ไม่ได้เข้าใจว่ามาวัดมาบวชมาปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรแต่เชื่อว่าถ้าใครทําจริงๆนะก็ยังมได้บ้านนะ ในปฏิบัติธรรมในความธรรมก็ย่อมเกิดผลผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะนะเราเองยิ่งมีโอกาสมากกว่านะโยนเพราะว่าอะไรการมีประสบการณ์ชีวิตเยนันดีในแง่มันเห็นทูกชัดขึ้นใช่หไหมเห็นร่างกายมันเป็นทูกขชัดขึ้นติดๆนะมันเจ็บปวดไม่เดียวสัก็พังนก็วิ่งเล่นสบายแล้วนะแต่พอเรา อายุมากขึ้นเห็นโอ้ร่างกายมันมพุกเนาะนอนไม่พอก็อก็เพียก็ไม่สบายอแก่มากขึ้นก็ร่างกายก็มีแต่ที่ปวดที่เจ็บที่เนื่อยทั้งนั้นเลยนะหรเป็นอาหมอเนาะก็เหมือนไปหาโรค่ะอืมไปพบหมอที่ไรก็เจอแต่โรคนะก็เห็นเห็นร่างกายมันจริงพุกนรือเห็นว่า ที่แต่ก่อนคิดว่าติ่งที่เคยจะทำให้มีความสุขจริงๆมันก็ไม่สุขจริงๆเนาะใช่ไหมแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นผู้ใหญ่นะจะมีความสุขมีอิสระนะไม่ต้องฟังพ่อแม่บน่นไม่ต้องนั่นนีนะ่คิดว่าเรียนจบแล้วทางานจะมีความสุขนะจะได้มีเงินใช้เองไม่ต้องขอพ่อขอแม่บงคนเจอ แฟนนะเขาคิดว่าจะอยู่กับคนเนี้ยจะมีความสุขแต่ก็สุขบ้างทุกบ้างนะใช่ไหมเราก็เห็นถึงคนคิดว่าโมีลูกนะพอเรรู้ว่าตั้งท้องออกมาว่าส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขนะดีใจยิ่งวันที่ลูกออกมาเนี่ดีใจมากนะนะแต่บางวันพอเลี้ยงไปก็บางมันก็ดีใจว่ามีคุ้มใจบ้าง น, นะใช่ไหมปนญีลูกไม่สบายก็คุ้มใจนะ วันนี้ลูก แ, แข็งแรงสดใสดีก็สุขใจตอนไหนลูกเรียนดีตั้งใจดีก็สุขใจบางวันลูกเอเดร์ตัวเงองแงะเขทุกข์ใจใช่ไหมจริงๆจริงๆมันมันมีบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์เนี่ยอคิดว่าถ้าเป็นหัวหน้าแล้วจะมีความสุขนะก้าเป็นลูกน้องที่เราเหมือนหน้ามีอำ น, นาจจะมีความสุขแต่พอเป็นจริงๆก็ิก่งหนักกว่าเก่า ต้องดูแลคนอืนนะฮะหรือต่อไปบางคนคิดว่ากระเตียงนะ่าจะมีความสุขกระตียนไปสภาพก็เริ่มไม่มีอะไรทำละทำอะไรดีเหมนบางคนคิดว่าปวดแล้วจะมีความสุขนะแต่พอไปอยู่วัดก็มีปัญหานะคิดว่าอยู่วัดจะมีความสุขอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจก็ตามความเป็นจริงนะอ่มันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไร ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่ไหนมันถึงจะมีความสุขเพรที่จริงทุกที่นะก็มีปัญหาทุกที่ก็มีความทุกข์แต่การจะอยู่กับปัญหาอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้มีทุกข์ใจเนะี่ยคือคือการวางใจคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําได้เนาะจะบวชหรือไม่บวชอยู่วัดหรืออยู่บ้าน จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่รับอยู่ประมาเนเลยนะอยู่แบบเป็นผู้ดูอยู่แบบศึกษาเขาเรียนรู้เขายอมรับเขานะนะเราเด็ไม่ทุกข์กมันะลองดูนะถ้าเราแค่ยอมรับความจริงใจก็เบา่างความทุกข์ใจก็มีความสุขมากขึ้นนะนะอันนี้ในชีวิตจริงเนาะ หรือถ้าจะเอามาใกล้ๆนะเรื่องการปฏิบัติธรรมอีกครึ่งวันนะให้ลองวางใจเลยโยนนะอย่างนี้ครนะับยอมรับก่อยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เด็กจะคุยกันก็เรื่องของเด็กอ่าอย่าเป็นแม่อย่าเป็นทุกนะเรื่องของเด็กนะบางทีแม่ปิดใจไปอยู่กับลูกแล้วลูกทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้นะ่ะอื่าเรื่องของเขานะ เราก็แค่เห็นอารมณ์เราที่ไม่พอใจหรือว่าหมุงงนหนมะีนแล้วก็กลับมาเห็น น, นั่นเรากลับมาเห็นตรงนี้นะเราก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าใจจะสุขจะทุกข์หมุนหมดหรือว่าสงบเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เผื่อใจไว้ว่าต่อไปเนะี่ยอาจจะนาทีข้างหน้าหรือครึ่ง น, นาทีข้างหน้าเนี่ยอาจจะโค้งร้าง ขาดจะไม่สงบเหมือนเดิมนะอืเป็นตอนเช้านี้ปฏิบัติดีตอนบ่ายคิดว่ามันต้องดีขึ้นักแต่ตอนบ่ายจะง่วงนอนจนเกินมันก็ไม่แน่นะวันนีเราก็ต้องเกิดใจนะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็แั้งแต่เที่ยมนี้บ่ายนี้จะเป็นอะไรเกิดใจยอมรับเลยนะเกิดใจยอมรับอะไรก็ได้อ่าลองดูมันดูมันจิตเฉลีย อนนะี้หรือบางทีเรปฏิบัติทำไปแล้วมนสุขสบายดีเราก็เสียดายเนาะบางทีวันนี้ปฏิบัติ ด, ดีคิดว่าพรุ่งนี้มันต้องดีอีกแล้วนะ่ะบางทีความสุขหายก็หายไปนะบางทีนะัปฏิบัติทำหลายคนพอภาวนาแล้วได้อารมณ์พอจะกลัวอารมณ์ันจะหายกลัวความสุขมันจะหายแต่อ ย, อ, อย่าให้มันดีแบบนี้ตลอดไปบางทีก็ต้องยอมรับนะ มันหายแล้วก็หายไปเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่แต่ตัวสติกนะก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นกี่แค่ขนาดหนึง่งแล้วก็ดับไปแต่กินนะว่าเราถ้าฝึกบ่อยๆมันก็จะมีบ่อยๆมีเว็บ่อยไม่ใช่ว่ามีแล้วมันจะต้องมีตลอดไปมันหายแล้วก็หายไปอยู่หายแล้วก็หาใหมา่อย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์ใจอันนี้เราต้องเปื่อใจว่า อะไรมันับไปแล้วหายไปแล้วเรื่องของมันหน้าที่เราก็คือมาสร้างใหม่มาฝึกใหม่กลับมาดูใหม่แต่ที่จริงถ้าโดยปรมัตต์ึกๆจริงๆนะไอ้สภาวะความไม่ทุกขนะ์เนี่ยมันเป็นปรมัตต์บแต่สติยังเป็นยังเป็นสมมุติบัญญาินะยัมีการเกิดการดับเกิดดนะับนมีบ้างไม่มีบ้าง แต่โดยสภาวะความมั่งก็คือความจริงแท้คือความไม่ทุกข์หรือว่าทัศน์ภาษาทาเรียกวิภานั้นมันมีอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเรากลับมาเห็นจริงๆนั้วมันมีอยู่แล้วนะความไม่ทุกข์มันมีอยู่อา่าหรือหลงพเขียนไว้เยอะทุกข์ก็ขณะที่โกรธเ น, นะนี่ยความไม่โกรธก็มีขณะที่โลคความไม่โลคก็มีขณะที่ทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีมันมีอยู่ในนั้นแหละนะ่ะ ขะที่ลองดูดีถ้าทุกใจที่จริงความไม่ทุกข์ในใจก็มีอยู่ความโกรธเกิดขึ้นมาในใจแต่ความไม่โกรธในใจก็มีอยู่ลองดูดีๆนะแค่เรากลับมารู้สึกตัวมันจม่ไดเห็นใช่ไหมความโกรธก็ตกไปความทุกข์ก็ตกไปโดยปริมติแล้วมันมีอยู่ของมันนะนะลองสังเกตเลยตอนนั้นไม่ต้องไปเปลียนใจ ถ้าอะไรจะหายไปแล้วเสื่อมไปแล้วแค่กลับมาดูใหม่ว่าสภาวพวัดความไม่ทุกข์มันมีอยู่นะสติมันก็ยังสามารถสร้างได้ใหม่น ะ, นะค่อยๆทนะําอกมาใจเย็นเย็นขึ้หน่อยการปฏิบัติธรรมใจเย็นเย็นนิดหนึ่งเก็บใจร้อนถ้าใจร้อนมันจะมันจะเร่งเร่งเกินไปเร่งแล้วก็จะเครียด แต่ทําไปจบบเรื่อยๆอยู่เหมืนคนเหมือเราเดินขึ้นเขาเหมืนเราเดินทางไกลถ้าแร่งๆเร่งมากเนี่ยมันจะเดินไปไม่ถึงเป้าหมายหรอกมันจะเหนื่อยมันจะท้อมันจะเบือเหมืนคนปฏิบัติธรรมาทีเร่งมากๆเนี่ยแก็จะเบือไม่เห็นสุขสักทีไม่เห็นได้นั่นนี้สักทีก็เบื่อไม่อยากปฏิบัติธรรมแล้วไม่อยากเข้าวัดแล้วนะแต่ถ้าทาไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเข้าใจค่อยๆพัฒนาค่อยๆวางใจได้ปนะไปเรื่อยๆนะบก็ทําไปเรื่อยๆแต่แต่อย่าไปพักนานอย่าไปเพลินนานอย่าไปหลงนานนะก็ أ, กินข้าวก็ลองอมีปติในการเคี้ยวข้าวนะเดินเข้าห้องน้ําก็ไม่ใช่ไปเดินแบบที่มีส่ตื่นปตินะจมูกลุกขึ้นยืน ลอายืนยังมีสติเดินเข้าห้องน้ำก็ไม่ต่าจะเดินจงกรมนะมือเราเปิดหนะ้าก็ไม่ต่าจะมือเราที่ยกมือนะนลองสั ง, งเกตดูตัต่นอาหารทานข้าวหรือถ้ามีสติต่อไปบาทีก็ลองพูดคุยเท่าที่มันเนปะ็นเนาะหรือถ้าจะคุยก็คุยยังมีสติฟังยังมีสตินะฟังยังมีสติฟนะังแล้ว รู้สึกด้วยว่าอารมณ์พ น, นักพิการในดีใจเสียใ จ, ใจปุ้งซาดไหมนะตองสังเกต ด, ดูแต่ก็ฟังได้ครับก็พูดได้นะแต่ถ้ามีสติกำกับ น, นะมันจะแบบไม่แบบสุข ก, ก็ไม่สุขมากทุกข์ก็ไม่มทุกข์ ม, กมากเพราะอะไรเราเห็นเห็นจิตมันกสะเพื่อนคนระับไม่ต้องบอกครับว่าจิตมันต้องเฉยนะคุยไปเห็นความสุขเกิดขึ้นในใจเห็นความมุหงิดเกิดขึ้นในใจเราฟังนะ ถ้าเราเห็นนะเราจะไม่ไม่ไม่ไหลไม่กินไปกับสภาวะตา่างๆแต่ถ้าเราไม่เห็นนะบางทีมันฟังมาแล้วแต่ความรู้สึกคือมันอยากจะพูดแทรกเข้าไปมันก็จะพูดเราจะไม่เห็นนะอารมณ์เอาสังเกตเลยนะก็ฝึกในรูปแบบบ้านแต้ตื็ฝกนอกรูปแบบบ้านนะมันเปจะได้ต่อเนื่องการปฏิบัติธรรมมันต้องมาศัยกันต่ อ, อเนื่องกันหน่อย อาจจะไม่ถึงขั้นว่าต้องรู้แต่ก่อนทั้งวันทั้งคืนแต่อย่างน้อยก็อย่ากให้หลงไปไกลนะครับกลับมานะหลงไ่คิดว่าง้วก็กลับมาหลงไม่คิดว่าแล้วก็กลับม า, า, ม า, แ, ตบมาแต่อย่าไปแบบบางทีหายไปชั่วโมงนึินะนับสกทีกลับมาต่อใหม่ภาค บ, บ่ายก็เหมือนต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งนะเหมนเปนปฏิบททัติธรรมเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วแต่ก็ปฏิบททัติธรรมแต่ถ้าตอนไปอยู่วัดหรือตอนมาเข้าคอร์ส น, นะ ก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติมันก็เลยไม่อนนีัแล้วก็เดี๋ยวฟังเช้าก็ก็พักแค่นี้ก่อนรับเไปรับประทานะาะแล้วก็กลับาปฏิบัติธรรมกัน